ขอบคุณพระเจ้าสําหรับบ่ายวันนี้นะครับที่มีโอกาสได้มากล่าบพระชนะของพระเจ้าอีกบ่ายวันหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้อาจจะเคยอาจจะมีคําพูดที่ติดปากนะครับที่มักจะเผลอพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวและเรารู้ไหมว่าคําพูดติดปากบางคําพูดเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอและสิ่งที่เรากําลังจะสื่อสารออกไปบางครั้งคําพูดนี้อาจจะทําให้คนที่ ตั้งใจฟังเราอยู่อาจจะเกิดความสงสัยนะครับแล้วก็อาจจะล้มเลิกความตั้งใจที่อยากจะฟังเราต่อไปผมจะยกตัวอย่างคำพูดที่ติดปากที่ไม่น่าจะเราคงฟังไว้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เป็นคำพูดติดปากของเราทั่วไปนะครับคำแรกครับคือคำว่าอืมนะครับคำว่าอืมเนี่ยผมมีประสบการณ์ส่วนตัวกับ เพื่อนร่วมห้องห้องพักที่อยู่ด้วยกันในที่นี้นะครับเพื่อนผู้รับใช้ห้องข้างๆนะครับเขามักจะเวลาผมมีคําพูดที่ไปละลานไปไปเห น, น็บเขานะครับเขาจะทําท่าเหมือนจะคุ้นคิดเพื่อที่จะหาคําที่จะตอบโต้นะครับคําพูดอืมนี่นะครับการพูดคําว่าอืมทิ้งท้ายทุกประโยคเนี่ยจะทําให้เราดูขาดความมั่นใจเพราะเรากําลังคิดที่จะ หาทางที่จะตอบโต้เลยหาทางที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมาคําพูดต่อไปนะครับคําพูดทําไม่ได้ครับนะการคำพูดการพูดว่าทําไม่ได้เนี่ยเป็นการปิดกั้นความสามารถของตัวเราเองนะครับแทนที่เราจะพูดคําว่าทําไม่ได้นะให้เราลองพูดคําว่าเราจะพยายามน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าคําพูดต่อไปคือคําพูดว่าไม่มีทางนะครับ แสดงให้เห็นถึงการที่เราจะปิดกั้นความคิดหรือไอเดียดีๆของเราซึ่งบางครั้งเราอยากจะต้องการที่จะสื่อสารหรือนาเสนอออกไปนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราพูดประโยคนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะไม่มีทางที่จะทำอะไรได้เลยได้เช่นเดียวกันนะครับคำพูดต่อไปคือคำพูดอาจจะนะครับอาจจะคำพูดอาจจะนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดลอยๆหรือคำพูดออกมาทันทีทนันใดแต่จะเป็นคาพูดที่เราไปรวมกับประโยคอื่นนะครับ แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในตัวเราครับและคำพูดสุดท้ายครับคือคำพูดว่าไม่ไม่มีใครนะครับที่อยากจะได้ยินคำพูดที่เราจะตอบปฏิเสธว่าไม่นะครับเพราะอาจจะทำให้เราจะไม่มีโอกาสได้รับโอกาสในครั้งต่อไปนะครับดังนั้นนะครับเราจะหยุดปฏิเสธและหาโอกาสที่จะให้โอกาสกับตัวเรานะครับในการที่จะเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่โดยหันมาพูด3คําพูดนีให้ติดปาก ค, คือคำว่าสวัสดีนะครับคำว่าขอบคุณนะครับคำว่าขอโทษหรือคาว่าไม่เป็นไรแทนนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะเห็นการแสดงออกของความรักนะครับความสามาคัคคีหรือจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นแต่เราถ้าเรามีการนึกคิดดีๆครับเราอาจจะได้ยินคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณขอโทษหรือไม่เป็นไรเนี่ย น้อยลงไปที่น่าแปลกใจคือมันไม่ได้ไปเกิดตามที่ทำงานที่โรงเรียนหรือในสังคมที่เราอยู่แต่เกิดขึ้นในคริสตจักรในองค์กรนะครับในแวดวงของคริสเตียนที่อาจจะลืมมองเรื่องละเอียดอ่อนนี้ไปเจอหน้ากันไม่มีคำว่าสวัสดีรับของจากผู้ใหญ่ไม่มีคำว่าขอบคุณทำลารผิดพลาดไม่มีคำว่าขอโทษนะครับและบางครั้งถึง ขณะที่ว่าเมื่อขอโทษแล้วไม่มีคำว่าไม่เป็นไรตอบกลับมาแบบอย่างที่อาจารย์เปาโลได้วางไว้นะครับและให้เป็นโอกาสได้ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูที่พระองค์ตรัสไว้ในกิจการแบบที่2ี่ข้อส5าคงจำมันได้นะครับช่วงคริสต์มาสเราจะมักจะใช้พระชนะ ต, ตอนนี้บ่อยครับการให้เป็นเหตุให้มีสุขยิ่งมีความสุขยิ่งกว่าการรับครับ ถึงแม้ว่าเราจะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างที่อาจารย์เปาโลหรือพระเยซูสอนเรานะครับการให้อะไรใครเราไม่ได้หวังที่จะได้รับการตอบแทนหรือไม่แต่ได้รับคําขอบคุณอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อมนุษย์ที่ตามองเห็นนะครับสามารถจับต้องได้ยังไม่ขอบคุณนะครับโอกาสที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยผมว่าโอกาสยิ่งเรียนลางเหลือ น, น้อยเต็มทีอย่าให้ต้องถึงว่า เวลาที่อยากจะได้ยินคำว่าสวัสดีหรือขอบคุณแล้วต้องไปฟังที่เซเว่นอีเล n เเลยนะครับเปลี่ยนความคิดของเรานะครับหันมาใส่ใจคำต่างๆเหล่านี้ครับสวัสดีขอบคุณขอโทษแล้วก็ไม่เป็นไรเบื้องหลังของพระพรหมตอนนี้นะครับเป็นบทสดุดีขอบคุณพระเจ้าของดาวิดที่เราเรียกว่าสดุดีขอบพระคุณพระเจ้าเพราะนอกจาก จะมีหลายส่วนนะีที่มีในพระธรรมหนึ่งพงศวดาบทที่6กข้อสิบทที่16ข้อสามี่ถึงสาแล้วเนี่ยนะครับยังมีในปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่96บทที่105แล้วก็บทที่ร้อนะครับที่สําคัญก็คือกษัตริย์ดาวิดนะครับรู้สึกเพราะเป็นบทสดุดีของกษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดเนี่อรู้สึกาซาบซึ้งนะครับในพระคุณของพระเจ้ามากจนจนเสียงแบบ ต้องเปล่งเสียงออกมาเปล่งเปล่งเสียงร้องนะครับเปล่งเสียงร้องออกมาเป็นบทเพลงสดุดีนะครับบทเพลงสะดุดีแห่งการขอบพระคุณนะครับและเบื้องหลังของการขอบพระคุณพระเจ้านะครับมีมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์รู้จักที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยการถวายเครื่องบูชาเขาเรียกว่าเครื่องบูชาโมทนาขอบพระคุณนะครับหรือเรียกว่าแตงออฟ f ฟอริงนะครับการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยวิธีการถวายเครื่องบูชานะครับ ในสมัยนั้นเนี่ยแสดงถึงความยำเกรงพระเจ้าเป็นวิธีขอพระคุณพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลเนี่ยที่ยึดถือเป็นจารีตประเพณีทํากันมาช้านานนะครับสัตว์ที่นํามาถวายนะครับสัตว์ที่นํามาถวายเป็นเครื่องบูชาเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่ดีนะครับเป็นสัตว์ที่จริงๆแล้วนะครับต้องเป็นสัตว์ที่เรารักและทุนะุถนอมนะเป็นสัตว์ที่ไม่มีมนทินไม่มีตําหนินะครับถ้าจริงๆต้องเป็นแบบนั้น นะครับแต่ก็ยังมีการที่ เ, าเขาเรียกว่าใ น, ในสมัยนั้นก็ยังมีนะครับในเรื่องของการย้อมแมวการที่นํามาสิ่งที่เอามุนหมุนเวียนถวายเครื่องบูชาไปแล้วก็เอากลับมาขายแล้วก็จนทําเป็นเหตุให้พระเยซูต้องตําหนินะครับต้องตีสอนอย่างรุนแรงนะครับแล ะ, และในเมื่อถึงบทบัญญัติของโมเสสนะครับในเรื่องของบทบัญญัติของโมเสสก็มีการกําหนดนะครับพิธีกรรมในการถวายเครื่องบูชาต่างๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะในสมัย เมื่อมาถึงบทบรญยายของโมเสสแล้วเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าการถวายเครื่องบูชาเนี่ยเป็นการฟื้นความสัมพันธ์นะครับฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ครับฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองครับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองเมื่อมีการร้าวฉานนะครับหรือแม้แต่นขนาดขนาดแตกร้าวนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเมื่อมาถวายเครื่องบูชาแล้วเนี่ยอาจจะกลับคืนดีดังเดิมได้นะครับถ้าพระเจ้าเมตตานะครับ เช่นเดียวกับเทศกาลขอบคุณพระเจ้านะครับหรือประเพณีกินข้าวใหม่ที่เราทราบอันนี้เริ่มเข้ามาใกล้ๆตัวนะครับจากสมัยพันธสัญญาเดิมเริ่มเข้ามาใกล้ๆตัวเราแนะเป็นช่วงเวลาเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะพอต้นปีเนี่ยพอมีลมหนาวมานะเริ่มกินออกได้เลยนะครับว่าเนี่ยถ้าอยู่ในภาคเหนือนะครับในชุมชนที่อยู่ในรอบนอกไปเนี่ยนอกกรุงเทพเนี่ยครับปริมณฑลอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีการเทศกาลกินข้าวใหม่ ไปร่วมได้ไปร่วมตามคิดศักต่างๆเหล่านั้นได้ครับเทศกาลกินเข้าใหม่หรือเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผ ล, ผลิตทางการเกษตรเป็นการถวายผลแรกให้กับพระเจ้าครับจึงมีการขอบคุณพระเจ้านะครับและยังเป็นการแสดงความเคารพนะครับแสดงความเคารพต่อ บ, บรรพชนที่ปลูกฝังสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจนเป็นจารีตประเพณีนะครับรวมถึงจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ญาติพี่น้องนะครับมาทานข้าวด้วยกันข้าวหม้อแกงหม้อนะครับนะจัดเป็นประจำทุกปีและพระคัมภีร์สองข้อนี้นะครับ2ข้อที่ผู้นํำมีโอกาสได้อ่านนําพี่น้องมีโอกาสได้อ่านนะนอกจากจะเป็นพระคัมภีร์เขาเรียกว่าพระคัมภีร์พระธรรมประจําเดือนนะครับพระธรรมประจําเดือนแห่งการขอบพระคุณหรือมัน of Thanksgiving นะครับพระคัมภีร์สองข้อนี้ครับยังเป็นส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์ตอนที่ยาวนะครับบทเพลงสดุดีโมทนาของดาวิด ท, ที่เราเห็นนี่นะครับ อยู่ในหนึ่งพงศวดานบทที่16เนี่ยครับตั้งแต่ข้อ7เป็นต้นไปเนี่ยถึงข้อ3 36สาเนี่ยเป็นเรื่องนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยผมไม่สามารถจะนำมาอ่านได้หมดนะครับก็เลยจึงนำมาหลักๆมาสองข้อที่นำให้เห็นว่ามีการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าครับและที่สำคัญคือพระพีตอนเนี้ยมันมีองค์ประกอบเขาเรียกว่ามีองค์ประกอบของการขอบพระคุณพระเจ้าที่แท้จริง อยู่4ประการนะครับที่เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในบ่ายวันนี้แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งนะครับพระเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่นำพาชีวิตเราจนมาถึงวันนี้วันที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้เรื่องการขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่ง ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระเจนะของพระองค์อวยพรในสิ่งที่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและสําหรับผู้พูดด้วยเช่นเดียวกันที่จะสามารถเรียนรู้ไปร่วมกันและนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตให้มีชีวิตตามคําสอนของพระองค์เติบโตขึ้นในทางความเชื่อและมีชีวิตที่เหมือนพระองค์ยิ่งขึ้นทุกวัน จึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำทั้งสิ้นของพระองค์และเราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการขอบพระคุณที่แท้จริงประการแรกนะครับเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทำกับเรานะครับในข้อ12บอกกับเราว่าจงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์และคํารพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ในพระธรรมคีตอนนี้อย่างที่กล่าวไปอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับ กษัตริย์ดาวิดนะครับพยายามชเชิญชวนชนชาติอิสราเอลนะครับให้มีการได้ระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมานะครับและไม่เพียงแต่พระคัมภีตอนนี้ครับที่กําลังพูดถึงเรื่องการระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทำมาในอดีตนะเพื่อที่จะโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าได้ในสดุดีบทที่ร้อยห้านะครับพูดถึงนะครับการเตือนสอนชนชาติอิสราเอลนะครับให้ทบทวนและระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเขา ทรงทํากับเขาก็คือในสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าช่วยเขาให้ออกมาจากการเป็นเฉลยในกรุงบาบิโลนนะครับดังนั้นเนี่ยให้พวกเขารู้รู้จักมีสํานึกในพระคุณเนี่ยแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่จะนําพาออกมาอย่างที่เราเคยมีการได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่โมเสสนําออกมานะผ่านสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านะที่นําพาเขาออกมานะการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา และเช่นเดียวกันครับตามธรรมเนียมของคนอิสราเอลนะครับคนที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติเนี่ยนะครับเขาจะอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1โดยเฉพาะในข้อ31เนี่ยในช่วงปีใหม่นะครับโดยโมเสสเนี่ยจะนําชนชาตินําประชากรของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลเนี่ยอ่านอ่านเพื่อที่จะเลลึกถึงพระคุณของพระเจ้านะครับที่มีในชีวิตของเขานะครับและขณะเดียวกันก็เป็นคอนเซปต์ของภาพรอยเท้าบนผืนทรายนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับ ซึ่งมาจากพระมปีตอนนี้นะครับเฉลยธรรบัญญัติบทที่หนึ่งข้อสาสิเอดนะครับก็คือในเวลานั้นเนี่ยเวลาที่ชนชาติอิสราเอลเนี่ยเดินผ่านถิ่นธุรกันดารเนี่ยนะครับเขารู้ว่าพระเจ้านําโมเสสบอกว่าพระเจ้านําโดยมีโมเสสเนี่ยเป็นคนพานําออกมานะครับแล้วเราก็จะพบว่าตามความคิดของเขาเนี่ยก็จะมีรอยเท้าเคียงข้างไปด้วยกันเดินคู่ไปด้วยกันก็คือพระเจ้า กับชนชาติอิสราเอลพระเจ้าชนชาติอิสราเอลแต่เมื่อเหลืออยู่เพียงรอยเท้าเพียงคู่เดียวเนี่ยทำให้เขาเกิดความสงสัยนะครับว่าเวลาใดก็ตามที่เกิดอุกศักดิ์ทําไมรอยเท้าเหลือเพียงคู่เดียวเขาคิดว่าพระเจ้าทิ้งเขาไปแต่ในที่สุดเขาก็มาถึงบางอ้อร้องอ๋อนะครับซึ่งในพระคัมภีร์บอก ว, ว่าและในถิ่นธุรกันดารซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูพวกท่าน ดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านได้ไปนั้นจนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่นะครับจากผ่านจากทินธุรยวดานเข้ามาสู่ดินแดนคณะอันนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนครับพระเจ้าอุ้มเขานะครับอุ้มเขาเนี่ยผ่านอุปสรรคขวางน้ำต่างๆเนี่ยผ่านมานะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้วชนชาติอิสราเอลก็เป็นชนชาติที่ลืมพระเจ้าง่ายนะครับ เ, เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพระเจ้าไวพรเขา ให้เขามีความอุดมสมบูรณ์สักพักหนึ่งเขาก็หลงจากทางพระเจ้าไปนับถือรูปประลบไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับตกอยู่ในความผิดความบาปแล้วพระเจ้าก็ตีสอนเขาเขาก็กลับมาหาพระเจ้านนวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับในพระมปีใหม่ก็เช่นเดียวกันครับในพระมิีใหม่พระเยซูทรงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์นะครับในการเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายนะครับว่าจงกระทําอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา เช่นเดียวกันเราก็อยู่ในพิธีมาสนิทนะครับยังพอค ง, คงจําได้ว่ามหาสดิจครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าพี่น้องมาที่คิดศักดิ์นี้ในรอบบ่ายก็จะเป็นในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมถ้ามาเดือนนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์หน้านะครับเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยถึงเวลาที่ผู้ประกอบพิธีได้บอกจงกระทําอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเราในวันนั้นพระเยซูตรัสอย่างนี้นะครับและเวลาเราอยู่ในพิธีเรามีโอกาสได้นึกถึงสิ่งที่ พระเยซูทรงกระทําเพื่อเราหรือไม่คนระับการที่พระเยซูพระกายของพระองค์ถูกหักออกการที่พระโลหิตของพระองค์ไหลหล่งออกมาเพื่อที่จะชําระความบาปของเราไถ่บาปของเราครับนะในช่วงเวลานั้นเรากาลังคิดถึงเรื่องอะไรครับนะยังคิดถึงสิ่งที่ยังคงค้างคาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็ทําให้เรายังปลดมันออกจะไปชีวิตจากเราไม่ได้เราก็ยังนึกถึงไม่ได้มีโอกาสได้นึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทํา แกเราหรือไม่นะครับดังนั้นนะครับวันนี้เพื่อเรามีโอกาสได้รู้ว่าการขอบพระคุณที่แท้จริงนะครับอย่างแรกประการแรกนะครับเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตเราประการที่สองครับเมื่อเราบอกผู้อื่นถึงสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในข้อ15ถึงข้อ18บแได้บอกเราว่าจงจดจําพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิตคือพระราชณะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดทั่วพันชาติพันุ์ คือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้กับอับราฮัมพระสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับอิสอักซึ่งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นกฎแกณฑ์แก่อิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรันต์ว่าเราจะให้แผ่นดินคณาาณาแก่เจ้าเป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลายในประถมการเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทรําพันธสัญญากับอับราฮัมนะครับและตกทอดไปยังอิสอักแล้วก็มายัางยาโคบนะครับการที่พระเจ้าจะสัญญา สัญญาว่าจะประทานดินแดนคณะอันหรือเป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้นะครับให้แก่เชื้อสายของพวกเขาและพระองค์ก็ทรงกระทําอย่างที่พระองค์ทรงสัญญานะครับและพระเจ้ายัางทรงสัญญาอีกว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมาทางเชื้อสายของพวกเขาและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นจริงดังนั้นนะครับทุกคําพูดนะครับทุกพระทุกคำสัญญาของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับนะครั บ, นะรบและในที่สุดแล้วก็เป็นดังนั้นนะครับ และโดยเฉพาะพระสัญญาของพระเจ้าที่เมื่อกี้ผมอ่านแล้วผมหยุดไปชะงักไปชั่วหนึ่งครับก็คือเวลาผมอ่านผมก็ยังตอนผมอ่านครั้งแรกผมคิดว่าเอ้ผมดูดูผิดเปล่านะเพราะว่าเป็นประโยคที่ว่าในพระคัมภีร์ฉบับ1971งบอกว่าตลอดทั่วพันชาติพันธ์นะผมนึกว่าพิมพ์ตกหล่นเป็นทั่วทุกชาติพันธ์อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วนะครับตลอดทั่วพันชาติพันธ์ือเมื่อผมไปดูในฉบับ2011นะครับใช้คําว่าตลอดหนึ่งพันชั่วอายุคนนะครับ ก็คือชัดเจนไปเลยให้รู้ว่ามันไม่ใช่ผิดอย่างที่ผมคิดหรอกพระเจ้าบอกไว้ในคำสัญญาว่า uh พันชั่วยุคนพันชั่วยุคนนะครับเมื่อมาถึงตอนนี้ผมนึกถึงผมจนได้ว่าผมเคยถูกรับการสอนมานะครับในตอนเรียนที่โรงเรียนพัคกิสรามนะครับเขาบอกว่าพี่ต้องรับผิดชอบคือคุณพ่อแม่รับผิดชอบชีวิตลูกครับและลูก ลกเนี่ยสมมติพี่มีพี่มีน้องเนี่ยพี่ก็ต้องรับผิดชอบของน้องเมื่อใดก็ตามมีวันใดวันหนึงที่เราต้องขึ้นไปอยู่ห้องบนแล้วมองลงมานะครับถ้าที่นั่งในโบสถ์ในมานั่ง น, น้องเราไม่อยู่ตรงตําแหน่งนั้นเนี่ยให้เราผู้เป็นพี่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่อธิษฐานเผื่อแล้วต้องไปตามกลับมานั่งที่เดิมเหมือนกันครับผมคิดภาพนี้ออกเลยว่าคุณพ่อแม่นะครับคงจะเวลาอยู่บนธรร ม, มารนะครับหรือแม้แม้แต่ พี่น้องที่มีมาเป็นผู้นำละมัสการเนี่ยคงมองเห็นนะครับว่าลูกเราอยู่ที่นี่เปล่านะครับนึกถึงหรือว่าท่านเองครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีกายขึ้นมาอยู่ในเรียนนี้ท่านอยู่ด้วยกันในที่นั่งในที่ประชุมเนี่ยนะครับเราก็คงหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากจะเห็นครอบครัวเราครอบครัวมาละมัสการพระเจ้าครับอยู่ในทางของพระเจ้าดังนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับคือต้องอธิษฐานเผื่อนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่จะ ปกป้องนะครับขอพระโลหิตอันประเสริฐขอพระเูคริตที่จะหว่านล้อมและปกป้องชีวิตของเรารชีวิตคนในครอบครัวของเรานะครับให้เรานึกถึงนะครับว่าอย่างน้อยเราต้องมีส่วนรับผิดชอบในชีวิตของลูกหลานของพี่น้องนะครับในการที่เขาจะอยู่ในทางของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่ชัดเจนนะครับบอกว่าพันชั่วอายุคนเหมือนที่ผมเคยได้บอกไปมีโอกาสได้บอกไปไปครั้งที่แล้วหรือที่ผ่านมาเนี่ยครับว่า จริงแล้วเนี่ยพระเจ้านะครับมีน้ําพระทัยจะอวยพรลูกหลานไปเรื่อยๆจนถึงพันชั่วยุคนนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่มีลูกหลานที่ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้านะพระเจ้าไม่เพียงแต่ตัดทิ้งไปนะครับพระเจ้าเพียงแค่หยุดการอวยพรไม่สามารถที่จะอวยพรได้แค่หยุดไว้เฉยเมื่อใดก็ตามที่เขาหันกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรต่อครับพระเจ้าไม่ได้ตัดทิ้งเอาไปเลยนะครับเนี่ยและคําสัญญาของพระเจ้าอย่างที่ผมบอกเลยครับเป็นจริงดังนั้นนะครับ และในขณะนี้พระองค์สัญญาว่าแล้วพระเมสสิยาจะเสด็จมาทางเชื้อสายของพวกเขานะครับและองค์พระเยซูคริสต์ก็มาบังเกิดในรางญ่าใช่ไหมครับและในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเมื่อลมหนาวพัดมานะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนและเริ่มแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าปลายฝนต้นหนาวเมื่อหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับและเมื่อ การนมัสการพระเจ้าของเราทุกๆเช้านะครับที่เราในทีมงานคริสต์สากที่มีอากาศได้นมัสการพระเจ้านะครับเมื่อมีลมหนาวมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะขอเริ่มขอเพลงคริสต์มาสกันเลยครับนะครับขอเพลงคริสต์มาสในการร้องในนะครับเริ่มร้องเพลงแรกในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยคืนนั้นหน้าหน้าหนาวนะพอเริ่มรู้จักเออเริ่มรู้สึกว่าเออมีอากาศเย็นมาแล้วนะแล้วพี่น้องเขาจะขอเพลงเมื่อคืนนั้นหน้าหนาวนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเรามีอากาศได้ ร้องไปแล้วเรามีโอกาสได้เห็นถึงเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงส่วนใหญ่ในเพลงคริสต์มาสนะบทเพลงคริสต์มาสก็บรรยายถึงการที่องค์พระเยซูคริสต์มาบังเกิดใช่ไหมครับเพื่อช่วยเราให้พ้นจากความบาปนะครับและเป็นสิ่งที่เราก็จําเป็นที่จะต้องนําเรื่องนี้ไปบอกอคนอื่นนะครับนะครับเป็นหัวใจของข่าวปรเสริฐนะครับในการที่พระเยซูมาบังเกิดในลางญ่านะครับในที่สุดแล้วพระองค์ก็มาสิ้นพระชนตายไถ่บาปเรา สาวันพระองค์เป็นขึ้นมานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข่าวประเสริฐที่เราในทสุดแล้วเราก็ต้องนําไปบอกกับคนอื่นนะครับบอกให้ผู้อื่นได้รับทราบนะครับและเช่นเดียวกันกับทีมงานนะครับที่จะจัดงานวันคริสต์มาสครับถึงช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรารับทราบกันแล้วว่าพฤทธศิกร์ธันวาก็ต้องนะรครับก็ต้องพยายามที่จะเริ่มเรียกประชมุมเรื่องในการที่จะเตรียมงา น, นครับเมื่อถึง วันคริสต์มาสมาถึงครับช่วงสองเดือนนี้เราจะรู้เลยว่าเป็นช่วงที่เราก็ทีมงานเนี้ยก็จะเหนื่อยจะหนักนะครับแต่ในที่สุดแล้วเมื่อผ่านพ้นไปนะครับเราก็จะสามารถมาขอบคุณพระเจ้าได้เพราะทุกอย่างก็ผ่านมาก็จะเป็นองครับทุกปีก็จะเป็นปีพอใกล้ใก้คริสต์มาสก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยหนักนะครับถึงขนาดที่ว่าเมื่อมีการตื่นเช้าหลายๆวันนะครับมีบางวันที่จะต้องตื่นมาตอนเช้าเนี่ย มันเหมือนนาฬิกาปลุกก็ไม่ตื่นนะครับก็ต้องแบบปลุกกันนะห้องข้างๆก็ต้องเรียกกันนะครับรู้เลยว่าเมื่อเดินผ่านอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึงไฟยังไม่เปิดรู้เลยว่าคงเมื่อคืนคงแบบเพียเลิกดึกงานเลิกดึกอะไรเงี้ยแล ะ, ะในที่สุดก็ต้องปลุกกันก็เป็นประจำครับและแในสุดเราก็สามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้เพราะทุกอย่างก็ได้รับการทรงนำและอวยพรจากพระเจ้านะครับเพราะเรื่องข่าวประเสริฐอย่างที่ผมบอกนะครับ อย่างที่เราพอทราบว่าทุกวันอาทิตย์นะครับจะมีคนมานมัสการพระเจ้าแล้วมีโอกาสให้มาอาธิษฐานเผื่อมีโอกาสได้ไหมาอาธิษฐานเพื่อที่จะต้อนรับองค์พระเยซู ค, ยคริสต์มาวันอาทิตย์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีพี่น้องท่านหนึ่งครับมาเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อยู่แถวสุขวิทย์เจ็ดสินะครับถามเขากมา็มาเพื่อที่อยากจะมารู้จักกับพระเจ้านะครับก็มีโอกาสได้แนะนําเขาว่าให้มาเริ่มเรียนชั้นผู้สนใจนะครับเก้านะเก้างตรงนะครับเขาก็บอกว่า ที่เขามารู้จักม า, มาที่นี่ได้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ชนบุรีแล้วนะครับไม่สามารถไปโบสถด้วยกันแต่เพียงแต่เขาแนะนําให้รู้จักพระเจ้าบ้างแล้วก็ถามว่ามาจะรู้จักคิดศักดิ์พุทนาได้ไงเขาก็หาในเว็บไซต์และมีโอกาสได้มาแต่มาวันธรรมดาครับมาวันธรรมดาด้วยจุดประสงค์ที่ว่าถามว่ามาเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นนะแล้วเดี๋ยวค่อมาต้อนรับพระเยซูนนะจะผู้สอนจะนําต้อนรับเลยนะ เขาบอกว่าไม่เขาเตรียมพร้อมมาแล้วเขาพอรู้จักพระเจ้าบ้างแล้ววันนี้เขาต้องการมาที่นี่เพื่อที่จะมาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์มาในชีวิตของเขาขอขบคุณพระเจ้าแล้วเขาก็ได้รับพระเยซูคริสต์ไปนะครับแล้วก็แต่วันนี้ก็ยังเป็นที่น่าเสียดายว่ายังไม่มีกาสเจอเขามาเข้าสู่ชั้นเรียนแต่ก็หวังใจอย่างยิ่งว่าเราก็จะสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเหตุที่ต้องขอบพระคุณครับเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทําในชีวิตเรา และประการที่สองเมื่อเราบอกผู้อื่นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำประการที่สมเมื่อเราสําเดงชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับอยู่ในข้อ25 24 25แล้วก็ยี่นะครับบอกว่าจงเล่าถึงพระศิริของพระองค์ถ้ำกลางบรรดาประชาชาติเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งเกียรติและความโอ้อาตรการมีอยู่ต่อพระพักพระองค์หลักการสรรเสริญพระเจ้านะครับก็คือ การประกาศพระนามและพระลักษณะของพระเจ้านะครับแก่ผู้อื่นแต่หลักการของการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากจะพูดจะบอกให้คนอื่นได้รับทราบเงี้ยเรามีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้านะครับให้คนอื่นได้ทราบว่าเออพระเจ้าทําอะไรกับชีวิตเรานะครับอีกอย่างหนึงก็คือการสัมเดงชีวิตครับการสัมเดงชีวิตที่ถวายเกียรติโดยพาะชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วผมก็อยากจะยกตัวอย่างผู้รับใช้ท่านหนึ่งคืออาจารย์เปาโลครับอาจารย์เปาโลเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสัาแดงพระคุณจากพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้าเนี่ยติดต่อสื่อสารกับอาจารย์เปาโลเนี่ยคือหมายกับลักษณะที่ว่าใกล้ชิดจนทําให้อาจารย์เปาโลเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือครับเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกครับลักษณะนั้ น, นครับคือจากคนที่ต่อต้านพระเยซูคริสต์กับกลายเป็นเป็นคนที่ ต้องมาประกาศพระเยซูคริสต์นะครับเนี่ยสิ่งนี้จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับก็คืออาจารย์เปาโลเนี่ยพอสื่อสารมีการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าเนี่ยท่านในที่สุดแล้วเนี่ยท่านยอมเลยว่าสํานึกในพระ ค, ra, คุณของพระเจ้าเลยว่าที่ผ่านพ้นมาเนี่ยท่านเดินทางผิดมาตลอดและในที่สุดแล้วท่านก็เป็นคนที่กล่าวถึงพระคุณของพระเจ้านี้อย่างชัดเจนครับนะครับะจะเห็นได้เลยใ น, ในจดหมายฝากอาจารย์เปาโลในการที่อาจารย์เปาโลวิกาได้พูดได้สื่อสารออกมานะครับ ท่านพูดถึงการที่พร ะ, พร ะ, พระเจ้าสำแดงพระคุณกับตัวท่านเนี่ยบ่อยมากในพระมพีใหม่นะครับและที่สำคัญคือเราสามารถดูได้อย่างแบบอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลนี่ครับที่แบบคือผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับคือถูกตีนะครั บ, ถ, นะรบถูกเรือล่มนูพิษกัดกอะไรคือติดคุกสารพัดนะครับแต่ก็ยังดำเนินชีวิตอยู่ในทางพระเจ้าประกาศพระเยซูคริสต์นะครับนี่นครับเป็นสิ่งที่บอกว่า ท่านส ำ, สำนึกในพระคุณของพระเจ้ า, าจริงๆนะครับและท่านก็จึงสําแดงชีวิตนะครับเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ทำไมอาจารย์เปาโลถึงยังต้องเตือนสอนนะครับในโลมาที่หนึ่งข้อยี่สิบ2อ็บอกว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่นะครับ แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปครับแต่เปาโลยังพอมีประสบการณ์แล้วจารเปาโลก็พยายามที่จะสอนโดยเฉพาะในพระมพีโรมนะที่พูดถึงในบทที่หนึ่งนะครับนะครับเพราะพระจาระเปาโลเห็นได้ชัดเจนว่าทางที่นำมนุษย์ไปสู่ความตกต่ำนะครับก็คือการไม่ดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าและก็การไม่ขอบคุณพระเจ้า กับการที่พระเจ้าทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคนคนนั้นนะครับลืมพระเจ้าครับและในสุดแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อไม่ดําเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ขอบคุณพระเจ้าเขาก็หันไปเดิ น, นชีวิตในทางความผิดบาปลืมพระเจ้านะครับในสุดแล้วก็ให้รูปคนลบเข้ามาครอบงําในชีวิตโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้รูปคนลบไม่จำเป็นจะต้องเป็น พระพุทธรูปหรือเป็นอะไรที่เราบูชานะครับเป็นสิ่งต่างๆที่ดึงเราดึงความสนใจของเราให้ออกไปยากทางของพระเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นรูปครรพแล้วเดี๋ยวในสมัยนี้เนี่ยสอดแทรกเข้ามาในลักษณะที่ว่าอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาว่าเขาเรียกว่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวครั บ, นะรบเห็นสิ่งเนี้ยว่าเป็นสิ่งสวยงามแต่มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะสามารถทราบได้ว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งใดที่มาจากพระเจ้าสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับผมก็เลยอยากจะยกตัวอย่างถึงผมนะครับเวลามีสมาชิกนะครับติดต่อมาเพื่อที่จะขอย้ายสมาชิกนะครับขอย้ายสมาชิกออกนะครับผมยังไม่ตกใจเท่ากับนะครับเรื่องฟังตอนแรกก็จะตกใจครับก็จะถามว่าทําไมถึงจะต้องย้ายออกมีปัญหาอะไรนะครับแต่ไม่ตกใจเท่าครับกับเมื่อลูกหลานของสมาชิกนะครับ ออกไปจากทางของพระเจ้านะครับลูกหลานของสมาชิกที่เป็นคนที่รักพระเจ้านะครับสมาชิกที่รักพระเจ้าเป็นสมาชิกเก่าแก่รักพระเจ้ามีพ่อแม่ปู่ย่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่รักพระเจ้านะครับแต่ลูกหลานมาออกจากทางพระเจ้านะครับไปที่บ้านนะครับไปเจอเขาเรียกว่าที่เป็นที่ขรอของคนจีนที่เป็นสีแดงๆครับที่วางอยู่ตรงพื้นน่ะนะครับนั่นะคือ คือคือไปได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ยังเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าเหมือนกับที่เราเรียนรู้มาว่าเมื่อพระเจ้าอ่ะพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีครับเวลาแกะหลงเจิญออกไปะพระเยซูก็จะมีมีไม้เท้าเป็นขอคอยดึงครับคือจะไม่มีใครก็ตามหลุดไปเลยอ่ะหลุดออกไปจากทางของพระเจ้าครับแต่อย่างน้อยพระเจ้าก็จะมีวิธีที่จะตีสอนแล้วเขาก็จะกลับมาตอนนี้ก็ยังอยู่ในคําอธิษฐานของเรานะครับเขาเป็น รุ่นผมรุ่นุ่นทีมนวับการรุ่นอะไรครับนะครับก็ต้องอธิษฐานเผื่อครับนะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากกว่าการที่สมาชิกจะมาขอย้ายออกไปนะครับการสัมแดงชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างน้อยให้เรารู้ว่าการขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับเพราะการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจะทําให้เราเลิกที่จะมองปัญหาหรือมอง สิ่งที่เรายังจัดการไม่ได้นะครับให้ไปมองที่พระเจ้าครับมองที่พระเจ้าแล้วขอความช่วยเหลือพระองค์และพระองค์จะคงช่วยเราได้นะครับเมื่อเรามีชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้านะครับเราก็จะมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับในที่สุดแล้วเราก็จะมีชีวิตที่สัมดงให้ผู้อื่นเห็นถึงชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เหตุที่ต้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตเรา 2. เมื่อเราบอกผู้อื่นถึงสิ่งที่พระองค์ทำสา 3. เมื่อเราสั่มแดงชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและประการสุดท้ายครับเมื่อเราอุทิศถวายตัวเองนะครับในข้อ28ข้อ29บอกเราว่าจงถวายแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริและกําลังแด่พระเจ้าจงมอบพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงนําเครื่องบูชามาเข้าเฝ้าพระองค์ จงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าท่าในที่นี้ผมอยากถามว่าเราอยากเป็นให้เรานึกถึงใครที่เราอยากจะเป็นสักคนนะครับเราอยากเป็นใครถ้าสามารถเป็นไปได้ครับเราอยากเป็นใครเราลองนึกเอาในความคิดของเราครับเพราะเห็น เ, เริ่มจะไม่ตื่นตัวนะครับผมเลยขอตั้งคาถามต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราอยากไปที่ไหนก็ได้ สักทีหนึ่งถ้าเราสามารถไปได้นะครับเราจะจะไปที่ไหนให้เนืนะครับมีอยู่สี่คำถามว่านะเราไม่ไปไกลกว่า น, นี้ครับคำ ถ, ถามที่สามนะครับถ้าเราเงินเรามีเงิน10ล้านพอไม่ต้องถึงร้อยล้านสิบล้านเราจะทําอะไรถ้าหากมีจริงและคำถามสุดท้ายครับเราจะทําอะไรถ้าหากเรารู้ว่า เรามีชีวิตเหลืออยู่อแค่สัปดาห์เดียวแล้วพระเจ้าจะรับเราไปเราอยากทําอะไรตอบในใจนะครับและยิ่งโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่ามันมีหลักการหรือข้อคิดของชีวิตมนุษย์ทั่วไปนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เกิดมาโดยไม่ได้ตั้งใจและจากไปโดยไม่เต็มใจนะครับตอนที่เกิดมาตัวเองร้องไห้ แต่ตอนที่จากไปเนี่ยคนอื่นร้องไห้นะครับพวกคริสเตียนหลายคนเราคิดว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีคือการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานการมาโบสถ์การร้องเพลงการถวายทรัพย์แต่จริงๆแล้วมีสิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับมีสิ่งที่จะสามารถเป็นคริสเตียนที่ดีกว่านั้นได้อีกก็คือการถวายชีวิตแด่พระเจ้าครับและการถวายชีวิตในที่นี้ก็คือ การถวายตัวไม่ได้ถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนะครับก็คือการถวายตัวถวายใจถวายจิตวิญญาณนะครับถวายให้อยู่ในน้ําพระทัยของเจ้าถวายให้อยู่ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าและจะเชื่อฟังและทำตามในสิ่งที่พระเจ้านําเราไม่ตามใจตัวเองนั่นแะครับคือการถวายชีวิตและผมได้อธิบายอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเรายังมีความคิดที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับ ตอบในใจนะครับว่าคาสอนของอาจารย์เปโลครับได้เปลี่ยนแปลงความคิดจากการถวายสัตวบูชาครับหรือการถวายเครื่องบูชาโมทนาพระคุณตามพระพีเดิมตามพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงความคิดว่าการถวายสัตวบูชาเป็นการถวายชีวิตของตัวเองแด่พระเจ้านะครับพระองค์ทรงต้องการให้เราถวายชีวิตโดยอาจารย์เปโอลยกมาจากโรมบทที่12ข้อหนึ่งครับที่บอกเราว่า พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์นะครับพระองค์ต้องการให้เราที่จะถวายชีวิตถวายชีวิตในที่นี้อย่างที่บอกไปนะครับ mm. ก็คือการที่มีการที่จะได้รับชีวิตใหม่จากพระเยซูพระองค์ไม่ต้องการชีวิตเราไปทําอะไรครับแต่ต้องการว่า ให้เรารู้จักพระเยซูแล้วก็มีชีวิตเหมือนพระเยซูนะครับก็คือการรับชีวิตใหม่เพราะหลักฐานชีวิตคริสเตียนของเรานะครับเราจะต้องเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตก็คือชีวิตที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเราเกิดมาอย่างนี้แล้วเราจะยึดติดว่าเราจะต้องทําตามใจเราเองเนี้ยตลอดไปครับเราสามารถเปลี่ยนความคิดได้ครับเปลี่ยนความคิดมาเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าได้ไม่ว่าท่านจะเป็นมีอายุมากขนาดไหนนะครับที่เขาบอกว่า ไม้แก่ดัดยากไม่ใช่นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับนะผมไม่สามารถบังคับได้แต่ว่าพระเจ้าจะสามารถทํางานพระวิญญาณเป็นสุธิ์ของพระเจ้าสามารถจะเคลื่อนไหวและทำงานในจิตใจของท่านแล ะ, ะสามารถเปลี่ยนแปลงตามนามพระทัยของพระเจ้าได้และท่านจะสามารถขอบคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงได้สดุปดีบทที่50าสข้อสิบสได้บอกเราว่า เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระไทยไม่ใช่สัตวบูชาแต่เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าและการขอความช่วยเหลือจากพระองค์นะครับซึ่งสอดคล้องกับในพระธรรมมีคาบที่6ข้อ6กถข้อแนะครับที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับโดยมีคาในเวลานั้นน่ยมีคาตั้งคําถามคนอิสราเอลว่าพิธีกรรมต่างเนี่ยพิธีกรรต่างเนี่ยที่เขาทำกันน่ยไม่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าประสงค์ ความจริงใจนะครับแล้วก็การดาเนินชีวิตในทางชอบธรรมนะครับนี่คือชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงผมอยากจะให้เราดูรูปสุดท้ายครับรูปนะครับรูปนี้นะครับตั้งใจจะสื่อว่าสะพานที่เราเห็นนะครับยาวไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยครับที่เรามองเห็นเนี่ยเปรียบได้กับ การขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่จะเป็นคําพูดติดปากเรานะครับไปตลอดไปนะเพราะเราได้รับพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้านะเรรู้อยู่แล้วว่าแต่ละวันแต่ละวันที่เราได้มาเนี่ยครับสิ่งต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมาจากพระเจ้ามาจากพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการจะจะอวยพรเราไปพันชั่วยุคนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยคำขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยควรจะเป็นคําที่ติดปาก ไม่เพียงแต่แค่คำขอบคุณพระเจ้านะครับการขอบพระคุณพระเจ้าที่แท้จริงจะต้องสําเดง4ประการเหล่านี้ออกมาในชีวิตก็คือเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำประการแรกนะครับประการที่สองเมื่อเราบอกคนอื่นถึงสิ่งที่พระองค์ทำประการที่สเมื่อเราสําเดงชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและประการที่4เมื่อเราอุทิศถวายตนเองแด่พระองค์ ขอพระเจ้าอวยพรครับให้สิ่งที่เรามีการได้เรียนรู้จากพระวจนะของเจ้าจะสามารถไปปรับเปลี่ยนและมาประยุกใช้ได้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า